ได้สวดบทหนึ่งนะชื่อว่าธรรมะคารวาทิคาถาจะมีอยู่ประโยคหนึ่งนะซึ่งหลายคนอาจจะฟังแบบพันภาหรือว่าสวดแบบพันผ่านทำที่ตนประพฤติแล้วนะย่อมนำสุขมาให้อันนี้ลองคิดสักหน่อยนะว่าทำไมถึงข้อความนี้ถึงไม่ไม่มีคำแบบสั้นๆย่อๆว่าทำที่ประพฤติ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 หรือว่าเกิดผลดีเสมอไปนะถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะก็อาชุดลงนรกได้นะเช่นพอเป็นพระแล้วมีคนกราบไหว้นะอาจจะเป็นเพราะว่านะเราเป็นพระใหม่หรือถึงไม่ใช่พระใหม่เป็นพระมีพันสามากแล้วก็ปฏิบัติ ด, ดนะีคนก็ศรัทธาก็เกิดลาภสักการะขึ้น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 คือยกลบข่มทันซึ่งมันก็สามารถจะเอาธรร ม, มะนี่มาใช้นะธรร ม, มะที่ได้รำเรียนมาเนี่เอามาใช้ในการดูถูกคนอื่นหรือว่าเพื่อเชิดชนะูอัตตาของตัวเองว่าฉันเก่งนฉันเป็นคนรู้ธรร ม, มะอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเอาธรร ม, มะมาปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องนะในทางตรงเดียวกันเนี่ยนะ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 มันก็ได้บุญนะแต่ได้น้อยนะได้น้อยเพราะว่าเป็นการทำบุญที่เจือด้วยกิเลสนะการรักษาศีล ก, กันนะรักษาศีลศีลนี่มีไว้เพื่อขัดเกลาวตัวเองแต่คนที่ปฏิบัติรักษาศีลเคร่งเคร่งเนะี่ยบางคนก็จะเผลอนะเผลอให้กิเลสมันหลอก ก็เกิดความหลงตัวว่าเนี่ยฉันเป็นคนมีศีล น, นะฉันฉันศีลแปดนะเธอแค่ศีลหนะ้าเธออย่ามาเถียงฉันนะนะเวลาเถียงไม่ได้สู้ก็ไม่ได้ก็ก็เอาศีลมาข่มนะอย่างนี้เรียกว่าเอาธรรมะมาปฏิบัติยังไม่ถูกต้องแทนที่จะลดกิเลกก็กลายเป็นการเพิ่มกิเลส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 บอกว่าเกิดวิปัสสนูเกี <c oughs> ่ยตรงเป็นพระอรหันต์แล้วก็เดินนะเท้าแปดสิกิโลไปหาหลวงปู่ดุลแล้วก็ไปเรียกให้หลวงตาเรียกหลวงตาดุลหลวงตาดุลออกมาจากกุฏินะผู้สำเร็จมาแล้วนะผู้สำเร็จคือสาเร็จอราหันต์มาแล้วนะจะสอนน่ยจะสอนครูบาอาจารย์นะอันนี้เรียกว่าอ่าเป็นความหลงนะ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 มันเป็นภาวนาระดับหนึ่งเช่นมีชาอนอาจจะฌานระดับต้นๆนะก็ไปหลอกลวงให้ผู้คนเกิดความศรัทธาวันดีคืนดี้ก็บอกญาติโยมว่านี่ะจ ะ, ะจะเข้านะจะเข้าจะเข้าเงียบนะจะเข้ากรรมฐานนิโรธสมาบัตินะี่เราสมาบัติเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอ่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 ภาวนาเพื่อสร้างภาพเนี่ยอันนี้เรียกว่าภาวนาตอนแหลอันนี้ก็เราเป็นการนำธรรมะมาปฏิบัติแบบไม่ถูกต้องเนี่ยผลเสียก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะกิเลสแทนที่จะลดลงนะกลับเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็ยังไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยมันมีคำพูดนะของอสมเด็จพระกุคราชาจารย์องค์ปัจจุบันเนี่ยนันบอกว่าเนี่ยท่าน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 แล้วก็ระหว่างที่ทำก็ตะโกนหนีทำไมหนีทาไมคือดูเจตนาเนี่ยเขาก็ส่วนหนึ่งก็คงมีเจตนาอยาจะสั่งสอนนะสั่งสอนคนที่ชนแล้วหนีเนี่ขาจะเป็นคนที่ต้องการจะรักษานะคุณธรรมหรือระเบียบในท้องถนนว่าชนแล้วไม่ควรหนีไอการที่พยายามที่จะรักษาธรรมรงคุณธรรมในสังคม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 อากับกริยาดูดีนะเช่นกําลังให้ทานกําลังภาวนาเนี่ยข้างในใจเนี่ยไอาจจะเป็นอีกอย่างก็ได้อาจจะเต็มไปได้วยกิเลสเต็มไปได้วยความโกรธความเกลียดเต็มไปได้วยอัตตก็ได้จะดูที่อาการภายนอกไม่ได้นะมันต้องดูที่ใจนะท่านพ่อเลี้ยงเคยเล่านะมีผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันวันนั้นก็เป็นวันพระนะ นายกอเนี่ยก็เป็นคนธรรมะธรรมโมอยากจะไปฟังธรรมนะก็เลยชวนนายขอไปฟังธรรมด้วยนายขอไม่สนใจในายนาอกพราจะไปจับปลานะนายกอก็นึกตำหนินายขออยู่ในใจว่าเนี่ยวันพระวันศียยังยั ง, ย, งยังไม่ยังไม่ลดไม่ละซะอีกนะตัวเองก็เดินไป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 แล้วก็เลยคิด่เออถ้านายคอนี่จับได้นี่เย็นนี้ก็คงจะมีนะแปะสะมีอผัดเผ็ดให้กินแล้วตัวเนี่ยพนมมือนะฟังพระเทศนะแต่ใจเนี่ยไปนึกถึงอนึกถึงปลาเนะี่ยนึกถึงการจับปลาแล้วก็ยินดีนะดีใจที่ได้กินปลาที่นายคอร์จับนะส่วนนายคอเนี่ยนะขณะที่จับปลาอยู่เนี่ยนะก็นึกถึงเพื่อน ในคอเนี่ยว่าเขากำลังไปฟังธรรมตอนนี้เขาฟังธรรมไปถึงไหนแล้วนะระหว่างที่มีการฟังธรรมก็มีการตีตีระครังนะตีคลองทุกครั้งที่ตีระตีคลองนี่ในขอก็จะพนมมือสาทุสาทุชาววันนั้นนี่ในขอนี่จับปลาไม่ได้เลยนะ<ม>เพราะว่าใจที่นึกถึงบุญกุศลนะมันทําให้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 ในคอเนี่ยนะทำผิดในสิ่งที่ถูกนะฟังธรรมแต่จใจใจนไปนึกถึงการจับปลาเนี่ยส่วนในคอนี่ทําถูกในสิ่งที่ผิดนะก็คือว่าจับปลานะแต่ว่าใจเนี่ยนึกถึงธรรมะนึกถึงอพระเทพนะทําผิดในสิ่งที่ถูกเนี่ยมันสู้ทําถูกในสิ่งที่ผิดไม่ได้นะนะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรจะทําถูกในสิ่งที่ถูกเนี่ยดีที่สุดนะก็คือธรรมะเนี่ยที่เมื่อ เมื่อร่วมเป็นของดีเนี่ยก็ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ถูกนะมันจะเกิดสุขตามมาอย่าไปคิดว่าขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้วนี่จะปฏิบัติยังไงก็ได้นะอันนั้นไม่ใช่แต่ปฏิบัติยังไงก็ได้เนะี่ยกิเลสมันเฉวยโอกาสทันทีเลยนะกิเลสไม่ได้เฉวยโอกาสเอาการปฏิบัติธรรำนั่แหละไปเป็นเครื่องผลเปิดสนองกิเลสนะซึ่งบางทีมันก็นําไปสู่การเบียดเบียนคนอื่นด้วย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 อันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้บุญ น, นะนะถึงแม้ว่าตัวนี้จะมาวัดนุ่งขาวห่มขาวมันมีคําคํานึงนะเรียกว่าชื่อว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติทําโดยสมควรแก่ธรรมน่าสำคัญมากนะเนยก็แปลว่าปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรมบางที่ก็แปลว่าปฏิบัติทําน้อยคล้อยทําใหญ่หมายคือว่าธรรมแต่ละธรรมทั้งหลายเนี่ยมันก็มีมีความสําคัญเนี่ยแตกต่างกันลดหลั่นกันไป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 ก็คือความพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้นะรวมทั้งการอยู่แบบเรียบง่ายพุทธศาสนานก็ให้ความสำคัญสันโดนมากถือว่าเป็นมงคลสูงสุดข้อหนึ่งนะแต่ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยนะก็เพื่อเราจะได้มีเวลานะมีกำลังในการทำสิ่งที่นะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น เช่นถ้าคนเรามีสันโดเนี่ยแทนที่จะเสียเวลาไปกับการทำมาหากินเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆหรือว่ามีเงินเยอะๆแล้วก็เอาเงินนั้นเนี่ยนะมาใช้ในการปนเปืะตนการทำแบบนั้นเนี่ยนะมันทาให้กิเลสงอกงามแล้วมันทำให้ไม่มีเวลาที่จะทาสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์แต่เมื่อเราสันโดษ น, นะเราพอใจในสิ่งที่มีนะ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 สันโดษเนี่ยม่ต้องควบคู่ไปกับความเพียรเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยสันโดษมันจะทำให้ขี้เกียจสันโดษเนี่ยปฏิบัติไม่ถูกนะมันทาให้ขี้เกียจ น, นะเช่นแทนที่จะทํางานทุกวันนะหาเงินอย่างเมื่อก่อนอก็ทํางานแค่อธิตฐ์ลาสองวันนะเพราะเราไม่ต้องการใช้เงินมากเราอยู่แบบเรียบง่ายแทนที่จะทํางาน